อาที่มวนอยู่ในเขาใจจดอาทุกข์ทุทข์นี้ทัิงความศักดิ์สธ์เขาโลกนี้อ่านมาแต่ดั้งเดิมโบรารณบทนี้ดีอาจได้ายาวนานมาแล้วนคถุณเขนินทองของราชนาจักไทยอาทุกข์ยุุกสมัยว่าจากจีที่เกิดมาคนใดชอบที่พักรักษาเขาโลกนี้ไว้เพื่อให้เป็นพระบิดาหรือเป็นสมบัติอันยิใหญ่ของชาวไทยแะ คนทุกคนทั้งสุ้น้อยผใหญ่อาจจะได้สิลปะภาษาหรือได้โลดีและความศักดิ์สิทธิ์ของคนไทยหรือสมบัติของไทยมีอะไรบ้างเช่นนี้คนไทยะรืลางประหลาันัลอาจจะเปลี่ยนชื่ออมรตดูทุกทุปีหรือเกิดมาแล้วก็มีมากมายไกลกว่หรือที่ตายสะสมแผนดินนี้กวมากเพราะฉะนั้น วันนี้ขอให้แท่บรดาฤาิีสติ์สังหลายยอมจะอนุโมทนาหรือสาธุการให้พรบพิฆเ้าผู้ที่เนร่ลทุกข์ันทียังที่ไม่สมเร็จหน้าที่การงานยังอยู่ในตามพัฒนาดีรามบริษัทและ ญาติญาติของขาทั้งหญิงทัง้งชายมาแบบนี้ทั้ง ท, ที่ขับที่รถยานที่เป็นปสถานที่ศักดิ์สิทธอเพื่อที่บระลุความปรารถนาอันมามีประโยชน์ที่จะเห็นธรรมชาติทั่เอี่ยมหอมจิตใจให้สดใสทําใจให้สะอาดเพื่อให้เกิดคุณธรรมหรือประโยชน์ที่มุ่งและหวังนักชาตินี้ชาหน้าเช่นใดขอเทวดาหรือสิ่งศดิ์สิิ์ทั้งหลาย ที่จะมาโมทนาหรืสาธุกข์การติดตามติดรถไฟข้างหน้าและข้างหลังจัก โ, โรคบางทางศีลหรือภูมิไม่เห็นผลิตเปิดสัปดาห์หนุกหน้าันเป็นจากจองจักรวาลโลกนี้ขอที่เชิญชวนมาที่เหตุธรรมชาติทางใช่หรือหัวถือใช้อำนาจเลยมีการที่ใช้อำนาจในการที่มาให้เป็นฤทธิ์เป็นไทยมาให้ประสบใดๆต้นริส ที่จะให้เป็นความสนิทันหรือให้ปลอดภัยเพราะฉะนั้นจี่ยังให้รถเดินได้ไม่ให้ติดขดแยบสะการใดหรือไม่ให้เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นที่สัตว์ที่จะมองเห็นหรือจะผ่านมาเฉพตาตัวไหนแล้วก็ตามที่เข า, าให้ใช้เละลิศหรืออ้อมนานแห่งสัตว์นั้นจะเป็นข้างเ็เลือเป็นวิศราตเป็นกระติงกระ า, ามเป็นสิงขอนหรือ พระบทรัตามั่นนัดจักวาดเต็มที่มูสัตว์ทั้งหลายอันดูในเขาผู้นี้ซึ่งมีพอ่อฤาษีเป็นผู้ที่ทรงโจอันดูที่รับอยู่ในทัพโูหาอันจังให้เทวดาที่มาประชุมหรือให้สัตย์ยกระสาแรแค่เมตนาเพื่อเรียกรอ้องยระสารให้โปรดไพรอดไปแห่งอันตรายนั้นนั้นไม่ให้มนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายผู้ติดใจบาปมาทาลายเขา ใหเขาอยู่เป็นปกติหรือเป็นคู่ว่าหรือเขาหลงนี้ต่อไปตลอดถึงอ่าจะหมดกับหรือหมดพุท ธ, ธารอ้อนพุท ธ, ธลันดอนนี้ชั่วอาอยุพุทธศาสนาห้า0ันปี หรื่ออาปาหมดไปแล้ว5าพันปีเขาลูกนี้อาจจะยวอนไปถึงลุกของภระษีอริยะเมไตที่จะมาตัดเปรดพระพุทธเจ้าควาจะยังยึงอยู่ตลอดที่จะพระศีหันพระพักข้าสู่พระนิพพานในแปดหมืนปีแล้วอาจจะว่าหมดอายุไขในพระสกัดนี้ แฟนฟ้าเทรนดิ้งจึงกำเนาถือสังหารแนไวมริกันจะมาร่างโรคต่อไปจะไม่มีสัตวัใดไม่มีภูขเขาไม่มีสิ่งที่อนจีะเป็นเพื่อยอยู่แทนดินก็ไม่มีแผนฟ้านั้นก็นับว่าเป็นวานเบาไปหมดอันนี้เรียกว่าดักฟ้าพัดกรกลับใ่จนหัวมารายจะเปล่ยนภาพแทนดิน ขึ้นม า, งาองพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็จะมาตัดทอนนั่นเรียกว่ามันข ก, ก้ับมีวมององคคือพระโมมมุทธองพระธมอรัอันที่ว่าพุทธเจ้าทั้งหลายประสิทธิ์ราทหรือรัตคัพเทียอปอร์ได้แล้วเนียอนจะมาเรียกรัตตเป็นบรรพุกนูพุทธเจ้า แม้แคว้นดาหรือเจา้าฤาษีของรูอยู่ดังนี้แลสามพระโพธิสัตว์อันบังเกิดขึ้นมานาะคุณนี้เป็นใครอยู่ที่ใดเป็ไหนไว้ไหนอาจจะมาตรวจสอบพระเศาสนามี่พระศีลอริยเมตไตร พ, นะพระป ร, รมาภูมินะองคหนึ่งนะเพราะเพื่อนปรมาภูมิสัตว์สาพี่น้องพระฉะนั้นนะการธนคตน า, นาอาจเป็นจริงจังหรือชนัยประการใด องคูณวนสิใดโรคก็นาศากลั่ากระดาษสำมรตุสเจ้าเป็นผู้ที่ไปยังตอบายแล้วในยุคนี้อาจจะเกิดพึังความดีหรือบวรมจับประผัดอัน จ, จะเกิดแจกชาวโรคได้ประทับแม้มนุษย์อาจจะหมดกองทุกไปได้โดยดังใจหวังอันจะเหมือนกับวายูโรคทิจริงๆบบบนั้น ขอให้สิ่งสติทั้งหลายในเราป่านี้ตรงสาธุการเมรคณะหรือประสิทธิศาสตร์ให้ความสำเร็จิจไปเป็นชั้นชั้นหรือเป็นณบันใดเวลาใดเวือนใดปีใดก็ดดตามขอให้ถึงผลุณาความดีนึกทิดอันจะมาสง่งสร้างบั้งบุพุทธศาสตร์หาเพื่อให้จรังไ้ยังยืนไปหรือเป็นแนวทางประเด่นหน่อย แต่ไม่ใช่ว่าจะทำมากให้ทั่วถึงทั่วโลกได้จะทำแต่เพีที่แพรมากะะระ่างกรารบริเวณริบาบไปเท่านั้นบบบบบบบบวดบบบ้บบเบบบบบบบบบ้บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ่บบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบรบรรนบ้บรบบบทบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบมบบีบบบบบบบบบบบบบบบบ ขัดหวมอาเป็นพวกของมารกันทัณฑ์ราไรย์หรือวัศวตูนาา น, นั้นอาจเป็นมนุษย์หรเทพประยดาเป็นบนุคคลผู้ใดประามอันคฝักวานอยู่ในชาติขันธ์ายธนะอีกสีนี้ยังไม่ถึงคุณงามความดีได้หรือนั้นขอให้เจ้าเขาใหญ่ฤเทวดาทุกพระองค์คราบว่ากุิษผู้มีเดชานุภาพด้วยบุญจริตแหนช่างโลกี เป็นมีตะตะตัวนโยรงหารสขอให้ท่านพรองนะั้นตรงจับยั้งอยู่ในพระเมตตาถึงความ บ, บัดนราพร้อมและให้ท่านได้มีทรงพระมายุสถาอนอานิสงส์ของขอ้าพร่วมบัดด้วยสัตว์ทั้งหลายอั น, นอยู่เป็นเชื่ อ, อป่าเขาโลกนี้ให้ ด, ดีกินดีมีความสุขสริญ การสร้างและเสียงมิคาราดลอยดองอันตัวไรากาตดองให้ท่านได้รับเสียงการพระมเทสนาหรืออนนธรริฐานกลางคืนี้วันนี้ไปตลอดทั่วใครหรือเขาโลกนี้ไปทุกแห่งทุกนเมื่อได้ยินแล้วจงพร้อมกันสาธุการนะอเจ้าตงงาัวงูเห่าหรู้เจ้าสร้างเจ้าเสือเจ้ามิคราชกระไดเนี่ยบรรดาอะไรนี่นเขาเขียนวาานการกระดิงโพุ่ ต, ตัวกระปุะตัวกรบปุดอ้ไ้ลิงงไอลิงดานนะไปไหนล่ะไม่เห็นนะไอ้ลิงไอ้เสี่งก่อนหนึ่งมาอยู่แล้วไปตัวก็รัวๆไปดีด้านดูเขาใหญ่เห็นแล้วชื่นหลงเส้นใจ ท, ท, ท, ทิงโทษมันทิงโทษหมาว่าหัวเพื่อนพยายามหัวตัวใหญ่เป็นที่โทเดียวเพราะว่าระวังมันยากง่ายกระจิงระวังกระทิงโทษมันไม่อยู่ด้านบ้า มาทำให้หมดด้วยความอันสบายหมดด้วยความแจกมเจ็บในตัวหังตัวเองให้มีใครมาเดียดเดียนนี่ถือว่าเป็นผู้รักษาอัตภาของตนให้พอดภยดีัตั์นั้นจะเอาในการอยู่ในธรรมะกาสอนชาวพุทธยากไม่ใช่อ่างกังแงดงจิทธิพลว่าโทมในฤทธ ต, ตมีกำลังหดกำลังลังชานี้ก็ไม่ดีไม่หวดไวดสงบอยู่แม่ช่าตัวใหญ่ๆหรือตัวที่มีงารือมีฤทธิ์การุภาพฤทธิ์ป้นลูกศรการเป็นฤทธิ์ก็ริงไม่ออกหรือออกแล้วก็ไม่เข้าอย่างนี้ก็จะไปแสดงให้หลบอยู่เพราะมนุษย์ในยนุคนี้ถึงเราจะแสดงได้ก็แ ต, ต่เมื่อเรานะั้นเป็นผู้ใหญ่ได้ เวลานี้เรายังเป็นผู้น้อยเป็นเด็กสรารอยู่ในเราป่าภูเขาอยู่ในเป็นจะเนเชื่อของป่าผู้ปกครองให้สัตว์ทั้งหลายได้นไทนภัยทุนยิ่งไปว่าอาศัยว่าความดีของสัตว์อนันสมัครสมานสมัคคีกันสร้างก็อย่าไปทํำลายเสือเสือก็อย่าไปทํำลายสร้างต่างคนต่างครับทั่วโยนเป็นมิตรกัน ะสะโลรและงัวเห่าทำงานก็ไม่แสดงติไม่ไปขบหรือไปกัดตัวไหนและาตัวหนึ่งอันเป็นเพื่อนสัตว์การกเป็นใยสารเคียวกันจะยอมอยู่ด้วยควาสมสามัคคีไรนาทีการงานหากินด้วยอาหารตากประเภทของตัวเองแต่และประเภทแต่และจำรั่วขณะจินจักว่าเป็นสัตว์ที่สามัคคีกันกรังอ่าวความยอมท้งความพอหรือสีสัง การดูในภูเขาโลกนี้ทั้งที่จับจองประศัตริย์เจ้าเขาใหญ่เป็นผู้บัญชาให้สัตว์ทั้งหลายนั้นๆไม่ให้แสดงเล็สถึงจะเป็นแสดงได้กว่าแต่มนุษย์อาถรรพ์มนุษย์อารรพจะเป็นเศษไหนไปไหนแล้ว็าตะการอัจะมาทำลายสัตว์พ ห, หาความยิ่งใหญ่แก่ตัวเห็นแก่ตัวไม่เห็นประโยชน์ตัวตรวมนั้นจึงควรจะฆ่า เพราะฉะนั้นสัตว์นั้นอาจจะสแสดงฤทธิ์ได้อาจไม่ดีอากคําสั่นพระพุทธเจ้าไปถึงเรื่อง น, นั้นก็เราก็ไม่ยอมที่จะทำเขาอีกถ้าเป็นสัตว์ตัวดีถ้าไม่ฆ่าเขากตายเขาเองเขาทํากรรมชั่วเขาอาจจะไปพ้องในกรรมชั่วเขาในวันใดวันหนึ่งการจะหนีไม่ทนเลยทีเดียวเป็นเช่นนี้เพราะฉะนั้น สัตว์นั้นๆก็จะอยู่ในอาราคาในการสามัคคีสามัคคาให้สมความเทียงกันตามตรีภาษาว่าตาโรสุขโขความร้อมเทียงของมูยอมให้เก็ดสุขเป็นเช่นนี้ถือว่าเป็นหนทางของปาปัร์ปณิธานียริ ย, ยาเซนผู้ประพฤติปฏิบัติมาก่อนสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายทั้งพวงจะอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือยึดพระพุทจาพระธ ร, รมมรารหันไว้เป็นที่อาตรลึกอยู่แม้เราพูดไม่เป็นหรือเราไม่รู้ภาษามนุษย์ว่าตามอัจฉรู้ดีเลยทั่วเหมือนกันสนัตว์นัตวงเจยาวพระรัชนาไตายเข้าอาบปกครองอาบรอมอยู่ในชีวิตให้ท่านทั้งหลายมอบกายถลายชีวิตผู้ชาพระรัชนาไายอาจจะมีหนทางนี้เอาแค่นี้แหละ ถือว่าสัตว์ทั้งโนบทบันลดปวิจจภาพนิ้งโยไม่ถูไม่เห็นไม่ยอมทำกรระเมนแจใครสิ้นหรือกับสัตว์ตัวไหนจะเป็นมนุษย์เพศไหนไว้ไหนก็ตามสัตว์นั้นนั้นก็อาจจะเป็นผู้ไม่ถึงไม่หวังไม่แสดงอาจจะถือท่วงของบ้านหรือจะเป็นอาภัณฑ์สกานกาหนาใครก็ได้จักว่าระเศวนาจะาเรนัง การเป็นทานหรอพบปนันทานเป็นมินจฉียอมพาไปหาผิดเป็นเช่นนี้พบปันทิพย่อมพาไปหาผลภพภริยาภพคนย่อมจะได้พ้นจากความทุกข์ในวัฏสงสารในพระพุทธิจาเป็นประธานร้อยชนะศักดิ์นั้นคงจะจับยั้งอยู่ในความอานิจจศีดาสามัคคีบันอยู่ในลักษณะเมตตาอารีมีความงามความดีไม่เห็นแก่ตัวแม้จะไม่แย่งอาหารการ อาหารด้วยบางอย่างเป็นอาหารชนิดเดียวกันแม่ช่างพดีก็มาแย่งกันหรือเป็นเช่นกัดทิงทั้งหลายเหล่านี้ก็นําว่าจับใบไม้หรือจับใบหญ้าเขาวันเช่นช่างเหมือนกันก็ไปควรแย่งกันต่างคนจะหายกินใครคนเดที่กระทางเมื่อพบรั ก, กันก็ไม่ยอมทำลายกันนะนี่ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในเขาใหญ่นี้สามาถีกัน จะจอมทั้งหลายสิทธภาพของการเมืองต่างอาจพัดจำพวกกดเพศขนะคงดูแต้มกระมูคงมีเจ้ามีนายผู้บัญชาเช่นกันและพิงทั้งหลายกวาัยว่าพริยากระจิ ง, งนั่นเองกระจิงโขดอันจะเป็นผู้บัญชากระจิงทั้งหลายทําให้เขาตัวให้เขาน้อมให้ใรกระกระิงทัวผู้ตัวเมียประตามช่างเสมอกันก็มีประหยันช่างโวยใหญ่ หรือตัวที่ใช่มงงาอันเป็นริบเรนเป็นรัศสมีดังองค์พระธิจาของเราได้ทราบเรนพญาช่างกันทันตัวกระเสริฐที่รักสมีร่งอยองวงานนี้ยออกจากานันี้สัตว์ทั้งหลายอาศัยกระแสแห่งมางงาพญาช่างนั้นนี้นว่าชาากตัวนั้นอันดมเป็นห ธ, ธิญาณชันใ้ ขางตัวใดยอมทักตามช่างพระโพธิสัตว์มาติกาลยอมจะเป็นพยายช้างเทนียอมมาให้เชขตข้าหรือทหารจีบิทมโนตผู้บอริโสถึงมโนจะเขาไม่รู้อาจจะเป็นผู้ตุชนเป็นพระตาไม่วควรฆ้าเขาถึงฆ่าไปแล้วอาจจะว่าดูในลักษณะเป็นตังเป็นเวนกันเราฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเราต่อไปอย่างนี้เมื่อไรท่านจะสิน้นสุดไปแห่งกรรมประเวณ์ เมื่อใดท่านจะไม่หยุดในการฆ่ากันจะหยุดได้แต่เราฟังคำสอนของพระพุทธเจา้าหยุดได้ต่อเมื่อเราได้รบพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองนอกจากนั้นจะหยุดไม่ได้ในการฆ่านี้ในการใดๆก็ตาม ท, ที่อันจะเป็นว่าการประหารประหารกันนี้ มันปนัจจว่าสร้างทามสร้างแบนหรือสร้างผหนทางที่ไม่ดีให้เกิดไปในทางที่เราเป็นสัตว์ไม่มีไฟทางหน้าอามาสเตการแรกก็อย่า น, นการแรกพยายามกา ร, ร, กกรกกชาติที่เราฆ่าเขาฆ่านหน้าไปเขาฆ้าเราไป จากนี้พร้อมไปเพื่อไรท่านจะว่าชนไปเพราะฉะนั้นขอให้พหระเจ้าข้ามิส่วนพิฆาระทั้งหลายหรือรุสสัรต่างยิงทองหรือจงลางโมฮาได้ทั้งสิ้นอันตัวมีพิษมีเดชมีอนุภาพหรือสรระแฝงพัจยาพูดที่รองรักษาเพื่อไทยหรือผานไทยที่นี้ก็จงได้ให้ค ง, งามความดีคุ้มครองเขา ที่มาให้เขาที่วิปริตที่ใสตัวย่านอำนาจถ้าหากว่าเขานั้นถึงที่สุดไม่ใช่มษด์แลจึงวรนคำดังนี้อาจยิ่งทำให้ดั่งของเขาประดานดัรงของเขาเป็นเองไปนี่ดีตัวรีบตัวที่ไปกระทำรีบตัวเขาหวังใคย่างรางวัลเพราะฉะนั้นเทพเจ้าไม่ควรแสดงที่อิทธิพลไปชนิดับว่าอาจจะเป็นปิด ถ้าว่าเราที่กุ้งรองดีก็ราบสักการบิชาของเทวดานั้นก็มีดูไม่ใช่น้อยของมนุษย์เขาก็รู้ดีเหมือนกันยอมทำพเรฆุณบ่อยๆทุวกวันคืนไปพวกน้นพูดนรืุ่ศรสงพันบารมีถึงเ็แค่ไหนไปไหนเขาก็วดพรฆุณร่ไมหลุดอไม่ขาดวันขาดตืนเช่นนี้ ขอให้เทพเจ้าหรือภริยาเจ้าเชื่อถือไปองรูดตามในที่อธิบายมานี้หนักบันนี้พอไให้ไปแล้วจึงควนรนำควรดีประมีที่ส่วงสั่งมาแต่เนีนั้นานาดไหนแล้วก็ตามคา ด, ดี้หรือคาดอดีตสอนมาหรือจะ่อไปโน่นก็นับสาวนไข่ไม่ท่วงรู้ว่าว่าได้เกิดมาไม่ใช่น้อย เกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดเป็นชนีรักษะบททนหรืออริยบุคคลทั้งควนแม้ว่าอริยะนั้ น, นจะเกิดมาก่าเป็นเหมือนธรรมชาติกับมนุษย์หรือสัตว์ธรรมดามีตายและเกิดเท่านั้นแต่ว่ามีความหมองดีมีความปัจถนาดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายทั้งควงรืองใรวดาก็ยังมีความปัจนาดีเหมือนกัน วันนั้นกว่าจำสิทิสุดไปไม่เป็นธรรมดาก็ได้เพราะบุญบุกรรมเพราะฉะนั้น้าพี่ยาขอแบ่งบุญหรือเี่ยมชมนุ่ยแประาในเขาใจนี่แห่งอทอหรกสกาที่เขามีหลายเรืออยู่ในเขาใจเนี่ยขอแบ่งบุญแลื อ, อันนี้สงแพไปให้ธรรดานั้นได้ลระ ให้อยู่ในวิมานสนุกสนานไปหากว่าเทวดาจะจุติวันนี้กจะใช้ชุติขอให้ยืนไปเปินไปีหรือแสนปีอีกเทพบุตรก็เช่นกันขอให้สนุกสนานอยู่ในวิมานของท่านให้สบายเครื่องชุติเพราะว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์นี่มันทุกข์มันยากมันล บ, บากเลยทันทันตัวใดแล้วก็จะถ้าอยู่ในลักษณะเทวดาแล้ว การที่อยู่ในความสงบสนานในความสั่งควรทุกสิ่งทุกอย่างกลิ่นก็หอมไม่มีเหม็นแยมต้นโลกก็สวยเป็นเช่นดี้ิตใจก็ดีร่างกายก็เป็นทิศร่างกายก็เป็นทองหรือเป็นเงินเป็นช่นนี้เป็นเกลืเป็นที่ว่าทินั้นของเรรดาทิศนี้ทิศนันคือมานหรือก ทุกวันหากเทพปดาอกใจจะปอดภัยแห่งกุศลบันนี้ข้าขอที่แบ่งให้ขอให้เทพปดานั้นได้ยินไปต่ออายุหรือสัานของเทพปดาอยู่ในราวไฟบานี้แม่นเขาใจนี้อดถึงพ่อฤาสีลงให้สุนทรเพื่อจีไกรต่อไปถ้าโรคแหกงราชกระบาเด่ลฤทธิอำนาจทางกขาว ส่งให้ยิิงขึ้นใปสมพระม ห, หรือชในของเธอรถ้าถ้าหมดชีวิตของท่านจงตองไตรปมารอเรีนมหาพมคนที่พิเศษอยู่ในมหาพรมโลกนี่จะได้สวยเครื่องชิพยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดค ม, มแล้วจงมาเป็นมนุษย์พิเศษอีกนี่เป็นเช่นนี้นะว่าพราะิตมีหุ่นทันดีม ถึงชาโรกีละเยียบยอมได้ผลประโยชน์ปัญญาชาญเกต้าเากิดมาจังทำให้เขานี่อ่อนจิตอ่อนใจหรืออ่อนอ่อหรือไทยทำให้เป็นอัศจรรย์ทุกสิ่งทุกอย่างต่ออำนาจของมาแทรกรอเป็นลุษสีดัง น, นี้ได้ถึงชาโรกีมีสัตบเตรนิสูรอำนาจสัตสิทธุกสิ่งอย่างไป จะได้ผลพร่อมมาตากขอให้ได้ยิ่งยิ่งรุ่งเเพราะฉะนั้นขอให้พอ่อฤาสีต้งให้ต้องมาถวายนักพระพจฆาตนักปัดนเริ่มด้วยญาติญาติทั้งหลายทุกคนบ้นเป็นยินเป็นทายได้ตามมาสี่รอบห น, นัคันนี้วันนี้บ่าวจะไปถึงน้องคายถึงวัดถึงที่โยี่อาศัย ขอให้ท่านทั้งหลายทุกท่านทั้นเทวดาหรือท่าสัจจีรสารหรือท่านสุตาสาีนั้นลงประทานบรไปทุกวันทุกวันเอาจนเขาได้รับความงามความดีมุ่งรอดในหาหรือใกระแสพระธรรมบารมียิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นเพื่ออยากจะรู้ในทางที่ดีและทางที่ได้จะได้รกระทำถึงความเห็ให กิจิกรรมใหญ่สบจิตใจหวัองพวเรยงนนังไม่ถึงใ<ช>ัุกไปมาแล้วยังม่ถึงบางส่รนะมันมีแห่ง น, น, นึ่งที่เสียวที่นรับสี